อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ143 1. ิภิกษุไม่จงใจ 2. ภิกษุไม่มีสติ 3. ภิกษุผู้ไม่รู้ 4. ภิกษุวิกลจริต 5. ภิกษุต้นบัญญัติสัปปานากะสิกขาบทที่10จบภูตการมวักที่สองจบ